วันนี้เป็นวันธรรมสวรรภาษาของทะแต่ ถ, ถือว่าเป็นวันธรรมสวรรคคือวันฟังธรรมปกติก็ไม่ว่าวันไหนอะเราฟังเราทำ ม, มันก็เป็นผลเป็นประโยชน์เหมือนกันกับเรารับทานอาหาร เมื่อเราหิวอะไรแล้วรับทานลงไปทางกายก็รู้สึกหยินน้ำมีกำลังที่จะต่อสู่การงานม่การฟังธรรมะโดยส่วนใหญ่ฟังที่ไม่มีอาจมีทมในใจก็ถคอว่าพระแผ่นแสดงเสียก่อนจึงจะเรียกว่าฟังธรรมะ เพราะไ่เคยศึกษาไม่เคยพิจารณาเดี่ยตัวเองแต่เคยศึกษาพิจารณาเดี่ยตัวเองนั้นฟังจากตาจากหูจากจิตใต่างๆที่มีอยู่เพื่อโลกเพื่อให้เป็นธรรมะต่างๆทุกการทุกสมัยต่างจากอารมณ์ของใจก็สร้ังได้ คือสติสั่งเป็นสั่งธรรมภายในสั่งใจของตัวเองมันดีมัอนเชื่อมันคิดมันถูกมันผิดมันจริงเรื่องอะไรก็มีสติดูจักรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเองคือสังธรรมะภายในธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนที่ใจต้องฝึกฝนที่ใจต้องอบรม ให้จิตใจของตนเยือกเย็นสงบเพราะจิตใจนั้นตกติสายแสไม่มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อนไม่เคยเห็นความสงบเย็นภายในนี่แต่คิดไปพุงไปตามสัญญ <c oughs> าวลงสนอกจิตใงไม่มีกำลังไม่มีความสามารถ ที่จะพิาอะไรให้ขาดออกจากคิดไปได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยเลยแต่สมประเสกันอยู่ทั้งความรู้ของสรรมะทั้งความรู้ของโลกนีมันเลยเกียยวนาในออกเหมือนเพชรเหมือนซอยตี่ติดอยู่กับมิ้นกับปวดและทามันก็ไม่ดีขึ้นนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทํานองเดียวกัน การฟังธรรมสาร้ายใจนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่วันธรรมมาตวนะณะเท่า น, นั้นจะทํากันทำกันได้ทุกการทุกเวลาหมาว่าวันพะวันธรรมมาตวนะะหรือวันธรนะรมาดาหรืออยู่สถานที่ใดถ้าหากเราจะถือการถือสมัยถือว่าวันธรรมมวนะณะจึงจะสำร้ายกิเลสปัญหาจึงจะฟังธรรมะ เพือจำจัดปัสสาวะจิตใจของเราสิยิ่ยงเย่อขุงมือต่างๆออกไปนั้นมันไม่ทันกับเรื่องของกิเลสกิเลสนั้นมันเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาหมาว่าเราจะนั่งจะนอนหมาว่าเราจะอยู่ป่าอยู่วัดอยู่บ้านมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกเวลาเมืเ่อมันเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นที่จบ จะขับไล่เรื่องของกิเลสคือจะทําจิตทาใจท่องเสวะให้วิเศษจะต้องกาหนดดูให้รู้ให้ใจอยู่ทุกการทุกเวลาสาระสิ่งที่เฉื่อเสียออกไปจากใจอยู่บ่อยๆเมื่อเราขัดไปเรื่องของใจสาระเรื่องของใจปัดกวัติเรื่องของใจไล่อธรรมออกไปใจจะสะอาดใจจะผ่องใส ใจจะแยกยนใจจะเห็นอัตธรรมนี่คือการฟังธรรมซึ่งมันเกิดมันเห็นมันเสน้นการฟังธรรมคือจะรับผลรับประโยชน์เนจากกิเลสตัญหาในสมัยพุทธกาลท่านอาจารย์เซมระจิดใจฟังธรรมภายในคือดูใจตัวเองคนอื่นพูด ก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่สังรู้ทันเห็นล้ายังเหนือใจล้ายังไมน ร, รู้ไม่เห็นเรากวรจะต้องกระทำบรเคนดูภายในของตัวเสียงใดที่ชั่วที่เสียมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจวิไลานาจากหิจัดตาต่างๆสยหยุดชระเพราะถื อ, อว่าสิ่งนั้นเป็นภัย เป็นอันตรายเสียใจทั้งตัวหากไม่ทราบว่าสิ่งนั้นมันเป็นคีิตเป็นภัยเป็นอันตรายเสียใจก็ไปกอบเปวยออกมาอะไรไหลเข้าก็รับเอาทั้งนั้นใจก็เหมือนกันกับถังขยะอะไรตกลงไปใส่ก็รับเอาทั้งหมดโดยมากถังขยะที่เขาทิ้งไว้ตามท่องถนนหุนทาน เขาไม่เคยเอาเพชรเอาพลอยเอาเจ่วนเอาขาของเงินทองที่มีค่าหรือสิ่งลงไปมีแต่ของเน่าของเสียเศษกระดาษหรือสิ่งที่ในดีคือก็ไม่สาธารณะสิ่งลงไปใจของเราส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะก็เหมือนถังขยะดี สิ่งที่มันไหลลงไปตกลงไปสื่อใจของเราก็มีโลภมีโกรธมีหลงเ <c> ต <oughs> ็แมแน่นอยู่ในนั้นไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระให้มองดูใจของตนก็มองม่เห็นเพราะสิ่งที่เ น, น่าเหม็นจิต บ, บังเอาไว้นี่สื่อใจไม่เลยสำารับตัก๊กราะด้วยอดด้วยรม แต่นั้นท่านจึงให้เลือกคัดจัดหาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มากักเอาไว้ขัดจิตขัดใจของตัวให้่องใสให้สมควรแก่อัดแก่ ร, รมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนถ้าภาสนะไม่ดีน้ำมันจะสะอาดเอามาใส่ในถ้วยในขันที่กรปรกมันก็ไม่น่าดูน อาหารจะอารอร่อยเอามาใส่ถั่วซ้ำถั่วตกกระปกุกมันจะไม่น่ารับทานมีจิตใจของพวกเร า, าท่านก็ทํานองเดียวกันมันตกกระปกุกเกิีเหลือปัญหามานาักชีติต่างๆจินต่องสาระเหนือนสมระสะอาดแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วกินต่างๆที่เราเอามาวางไว้หรือเอามาใส่ สิ่งนั้นก็น่าดูถ่าเป็นเครื่องดืม่มเป็นน้ําก็นหน้าดืม่มถ่าเป็นอาหารก็น่ารับทานถ้าเป็นสิ่องอื่นที่มาวางไว้ดูมันเกาะเย็นตาเย็นใจเย็นตาของตัวพอมันสะอาดมีความสะอาดจริงสริงที่ปรารถนาของคนทั่วไปได้ว่าผ้า ผ่นคสบายที่หนึ่งหฮมว่ชอบกวัวยินดีถ้าที่สะอาดไปสถานที่ใดก็ไม่หรือใครเขาจะตองมีกล่ามันสกรปรกหัวมมอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องการความสะอาดห น, า ห, นาหน้า น, นั่งหนานอนหนาอยู่หน้าอาศัยถามันสกรปรกรกลงึลงลังต่างๆเราก็ไม่ชอบ ไม่ยินดีดังนั้นจะมีการปัดกวาดําระมีการเช็ดถูต่างๆนานาเพื่อความสะอาดของสถานที่เพื่อป้องกันโรไคไข้ไข้เจ็บต่างๆสถานที่สะอาดโรคไข้มันจะไม่ถอยไปเกาะไปอาศัยเขาจึงต้ทําเรื่องความสะอาดของบ้านเรื่องของใจก็ต้องทําความสะอาดผ่ ใจไม่สะอาดทำมาถีอพระพุทธเจ้าทรงเน้สอนมันก็สกระปรงไป ด, ด้วยเพราะใจของเราสกระปรงของทีวดีมีคุณค่าสกกลงมามันก็สกรปรงข้าจะสะอาดขนาดไหนแต่ที่อยู่ที่อาศัยของเราสกกระโปรงไปนั่งไปนอนเข้ามันก็สกรปรงตดเตือนไปแต่นั้นจึงต้องทําภาสนะให้สะอาด ทำที่อยู่ที่อาศัยให้สะอาดเราจะพักผ่อนหลับนอนจะอยู่จะอาศัยจะมีความสุขความสบายภายในกายในใจจิตใจที่ไม่สำระรักพอกจิตใจที่ไม่ดูแลรักษามันก็มีการสกโปกเป็นธรรมดาวันนี้เป็นวันธรรมะสวนะัสวันฟังธรรมเราต้องสำระ จิตใจของเราเพราะการฟังธรรมนั้นเราไม่มีการงานหน้าที่จะไปคิดไปจูงไปยุ่งไปเกี่ยวกับการงานอะไรนี่จะตั้งใจดูภายในของตัวอะไรที่เฉื่อที่เสียรีบปัดกวาดออกไปรีบํำระแก้ไขเพื่อให้ใจิตใจมันผองใสที่นใ่มีโอกาสเวลาเป็นคารวา บางสันบางคนก็หกวันเจ็ดวันแปดวันถึงส่ส่มาวัดมาวามาชำระใจแต่ถ้าหากไม่ตั้งใจํำระมันก็ไม่สะอาดให้บ้านเรือของเราสัาปัสสาวะเจ็ดวันถึงก็ปักวาวที่หนึ่งมันจะสด ป, ปกแค่ไหนเราก็พอทราบได้เพราะคุณละอองผงต่างๆมันตกไปใส่วัด พาเราสะยมวันจึงใส่ปัดกวาดที่หนึ่งใบไม้ในรานวัดมันเจนหนาเนี่ยนขนาดไหนแต่เราปัดกวาดอยู่ทุกวันทุกเวลามันก็ยังมีหน้าดูเพราะใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆมันตกลงมาใส่แต่มันทำให้สกรปรกไม่น่าอยู่น่าอาศัยนีย่จิตใจของกรธเราท่าน ก็ให้มันที่นี่ที่เจรณาทำลาสาสางโดยสติโดยปัญญาที่เจรณาธรรมะเอาไว้เพื่อแก้ไขใจสิเสารมองให้สะอาดออกไปเพื่อใจใจน่ายูในาอาศัยเพื่อจะหายใจมีกำลังขึ้นเราทานอาหารแต่เจ็ดวันทานทีหนึ่งหรือสึกว่า จะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวไม่มีกาลังกายที่จะต่อต้านการงานต่างๆได้พอมันเหน็ดมันเหนื่อยกําลังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้การงานเรารับทานอยู่วันละมื้อก็ยังรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิบางท่านบางคนที่เหนเคยแต่นั้นจึงวันเหนื่อจึงรับทานสามเวลาหรือสีเวลาแล้วแต่ บุคคล น, นั้นจะถึกการรับทานของตนเมื่อรับทานอย่างนั้นการทำการงานด้านนอกมันก็มีกำลังที่จะต่อผู้เพราะกายมันมีอาหารเป็นเสื่อมหล่อเลี้ยงกายอยู่มีใจพอกเราก็ทํานองเดียวกั น, น, น ถ, ถ้าหัเจ็วันแปดวันถึงค่อยจะมาํำระสาสางที่จะมา ทางธรรมจึงจะมาบำวุงจิตเพื่อจะให้มันมีกําลังต่อสู้กับจิตทีมานะช่เหลือปัญหามันต่อสู้เรื่องภายนอกไม่ได้เพราะกําลังของจิตไม่เพียงพอต่องที่นิจเจรนาะต่องธรรมราชอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยปลัดถามพระอานนท์ว่าการที่เจรนาธรรมะที่เจรนาความตายนั้น เคยพิจารณาได้วันณทา่าไรวันหนึ่งไม่ขาดร้อยชั่งขาพระ อ, องค์เคยพิจารณาพระผู้ใต้จ้าวยังตรัสว่าพระอานน์ประมาส่องพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกเวลหายใจเข้าออกจึงจะทันกับเรื่องของิเวิตปัญหาได้หายใจของเราไม่ได้คิดเอาเสียเลยว่าเราจะเริจะตายอย่างไร พอมาเจอเจ็บไข้เข้าก็ห่วงใยว่าเราจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่มีสวยงามความดีนั่นคือมันเสียเปลียบเรื่องของชีวิตแล้วให้ตั้งหน้าต่างตารักษาอยู่สม่ำเสมอไปที่จะานาแฉ่ไข่เพราะความแฉะมันแฉะทุกวินาทีความตายมันก็าตายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนักบวช เราว่ามันตายได้เหมือนกันความตายนั้นเราจะไปสืบไปหรือ่าดหมายเอาว่าคนนั้นเท่าแล้วคงจะตายเลยไม่มีวันอยู่เดือนช้นางหน้าคนนั้นยังหนุนยังแน่นอยู่คงจะไม่ตายง่ายมันเอาแน่ไม่ได้เรื่องความตายตายมาแต่ในคันของมารดาของมีเกิดมายังไม่ ในกี่วัี่ชั่วโมงตายไปก็มีความตายของพวกเราท่านมันอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกหมดลมมันก็เรียกว่าตายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นหนุนสาวหรือผู้เฒ่าผู้แก่มันก็แฉ่นั้นหายออกไม่เข้ามันก็ตายเข้าไม่ออกมันก็ตายมันแฉ่นั้นชีวิตของพวกเรามันสั้นนิดเดียว ในเวลานี้จิตใจของเราได้รับคุณงามความดีทางอาัตทางธรรมหรือไม่หรือจิตใจยังหลุ่มหลงยังพลักพวงกับเรื่องอันนั้นอันนี้จองตวจตาพี่เจนาะดูใจของตัวถ่าใจมันเชื่อมันเสียใจมันจิตมันคล่องหีุดเกลี่ยเรียดสันราสาสาองตัวจใจสงบ ไจลังงับเกิดปัญญาสามารถที่จะหายสงสัยในสิ่งทั่วไปที่เราเคยจิดข้อเพราะปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะบัทอรวิเลศออกได้ใจจะเกิดปัญญาก็ต้องอาศัยใจหนักแน่นใจมีสมาธิ จึงจะเกิดปัญญาได้ศีลสมาชิปัญญาเป็นไลายผิกขาสำหรับศึกษาของผู้ปฏิบัติเราจึงหมั่นทพิจารณานำมาศึกษานำมาพิจารณาภายในเสรักษาใจของตัวไม่ให้เชื่อไม่ให้เสียธรรมะที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงสอน ในใจว่าจะอยู่ข้างนอกจากกายจากจากิตของตัวมันอยู่ข้างในมันจะเสื่อจะเสียจะเป็นที่เหลวิตปัญหามันก็ออกไปจากภายในมันเลยไปออกไปทางข้างานอกมันจะเกิดมาเกิดผลมันก็เกิดจากภายในอีกเหมือนกันฉะนั้ น, น, นเราทุก่านมีกายมียใจในที่เรียนสะสมระ สิ่ที่เชื่อออกไปรักษาใจคือสงบหยกดยินเอาไว้ขับไล่ความสงสัยในจิตในใจให้ตกถ่ามีปัญญามันก็มีทางสํลระแก้ไขเพราะสิ่งเชื่ไปในโลกมันบงบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นอนิจจังคือเป็นของขึ่นไม่เี่งแข่งแนีนอน มันแปรปรวนไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าหูว่าตาว่าผมว่าขนเราเล็บว่าฟันมันเปลี่ยนแปลงแปรานอยู่ถ้าหากเราดูในทางอัดทางทำจะรู้จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังยึดของเรามันไม่เข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังไปยึดไปถือมันก็เกิดทุกข์ขึ้น ทุกขังมันถังอยู่ในจิตในใจของตัวไม่เหนื่อยยขังเอาไว้ที่อื่นขังอยู่ในภายในของตัวเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นอนัตตาว่าในนอนส้อนไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในว่านักเบื่ทะลาะว่ามันบอกไม่ได้ในมียาจากที่ไหนจะมารักษาให้ใจของเราคงเส้นคงว่า ไมนมียาจะรักษาห้ามแฉะนี่จะมันแฉะเรื่อยไปอ่ะเกิดมามันแจะไปที่ไหนแกะไปหาเตาเผาแกะไปหาป่าช้าทุกคนจะบายหน้าไปสู่จุดเดียวกันแต่วันเวลาจะผิดแต่จะมั่งหัวช่างมันแต่จะต้องไปสู่จุดนั้นคือเราหลงไหลไสฝัน อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันอยากได้มาทมําไหมได้มาแล้วมันเป็นของของอรเราหรือไม่มีใครสามารถอาจหาหาบถามของทีเป็นของโลกก็ได้ไหมถ้าหากเขาหาหามไปไ ด, ด้โลกอันนี้ของเราเกิดมาเกิดจะดมีที่อยู่ที่อาศัย คนเกิดมากก่อนตายไปก่อนเขาขนไปหมดแล้วในนี้ที่ดินจะอยู่ในนี้ที่จะอาศัยเพราะที่ดินอันนี้ส่วนนี้มีคนตายไปนับจำนวนแสนนับจำนนล้านเลยถ่ว น, ท, วนที่มันตายไปก่อนเกิดมา ก, ก่อนอนี่มันเอาไปเลยได้ที่เราล้วงไหลใส่ฉันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันก็ทํานองเดียวกัน ให้คิดสอนใจของตัวอาศัยโลกอย่าให้จิตกับโลกอย่าให้โลกทับผมจิตใจของตนมันที่วิิจัยนะนี่คิอการฟังธรรมะภายในการสอนใจของตัวให้ฝุกให้สบายให้สงบให้ละชีเลศถ้าไม่มีการสอนใจของตัวมันก็โก่งหลงหยุ่งเยงบุ่นวายยึด สึ่งน <sa> ั้นถือสิ่งนี้เลาไม่มีความสงบสงัดเลาไม่มีอาจมีธรรมไม่มีความสุขความสบายให้ถ้าจิตของเราฝึกฝนอบรมเป็นทางธรรมะถึงจะมีล่ำเหนือยเรอย่างเขาต่อตามแต่จิตของเรามันเหยือกมันเย็นมันมีความสุขพระพุทธเจ้าสาวก ท่านเคยเป็น ก, กษัตริย์มาขอมีเป็นเศรษฐีมาขอ ม, มีในใจท่า น, นเคยพบเคยเห็นสมบัติทัศฐานท่านเคยพบเคยเห็นใคยคิดเคยอ่านคิดอ่านเปนใ น, มมนทํามนองเทว่าเมื่อเวลานี้ชีวิตยอยู่ขอมีกรรมสิทธิ์ที่จะช้สอยสิ่งเหล่านั้นแต่ ก, ก็บังคับบัญชาไม่ได้ถึงเวลามันแปรปวนไปมันก็แปรปวนไปเมื่อมันจะเริญองขึ้นมันก็จะเริ่ขึ้น โลกอันนี้มันมีบนหยุดบนดอนสูงสงต่ำๆ่อย่างนี้หยุดถือไปยินดียินร้ายได้เกิดทุกข์เพราะไม่ทราบสาเหตุตามเป็นจริงของมันพระพุทธเจ้าท่าน จ, จึงสอนในที่นี้พิจารณาว่าเราจะจากจิิงจีรักใข่ชอบใจทั่วไปไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ไดอาศัย เราจะได้จากมันไปเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปคือบางสิ่งบางอย่างเราหามาได้เรายังไม่ตายสิ่งนั้นก็สิบหายไปบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> เราหามาได้รักษามันไว้ไม่เหรมันเสีอมันหายของนั้นยังอยู่แต่ชีวิตของเราถึงวันถึงเวลามันตายไปสึงเหล่านั้นมันก็เป็นของโลกดีเลยไปของในโลกเนี่ยเน็ตตาย เน็เดียวเท่านั้นก็ไม่มีใครที่จะมีอานาจวาสนาหากหามไปได้ทำไมจึงหลงไหลจึงใจ่ฝันจึงติดข้อไม่เห็นหรือไม่ลืมตาดูหรือไม่ได้คิดบังหรือว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกถ้าเราคิดคิจารณาซ้อนิตซ้อนใจให้ใจเห็นใจเป็นด่างนั้นมันจะมีความสุข ความสงบภายในนี่คือการภาวนาละกิเลสคือการฟังธรรมชำระใจของตัวถ้ามีสร้างแบบนี้ในที่เจอน่าแบบนี้จะไปวนวิ่งวนวายกับเรื่องอันอื่นมันก็ไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นทุกข์ไม่มีวันที่จะละจะถอนความยึดความจิดความคิดความปรุงต่างๆได้การฟังธรรม ให้ฟังจากภายในให้ดูจากภายในให้พิจารณาภายในถ้าเราฟังธรรมเป็นอยู่สถานที่ใดก็ได้ฟังธรรมอยู่ทุกการทุกประอย่างเป็นวันธรรมะตวรณะท่าแถมแสดงให้ฟังก่อามงเราอยู่แต่ตัวของเราเราก็ฟังอยูอ่อย่างนั้นฟังสิมันมีมันเป็นมันเห็นมันรู้อยู่เนี่ยให้ศาสตตามเป็นจริงของมันความจริง นักธรรมะเศเอกขึ้นธรรมะตั้งแต่วันเราเกิดมาสอนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยขาดการสอนสอนอย่างไรความเจริญก็สอนเรืยมาเราว่าอยู่นี้มันก็เจริญเรื่อยไปลมหาใจออกมันใจแจริญลมหายใจเข้ามันก็แจร นั่งอยู่กังคอยแกะ ى, นอนอยู่กองคอยแกะกินเ ى, ดินอยู่กองคอยแก่ความแก่มันก็สอนอย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเไปหลงไหลใ ส, ส่ฝันอย่างนั้นอย่างนี้เปิดเพลินเมัวเมาถ้าเราพิจารณาทำเราจะสวดสังเวชแต่ทีนี้พิจารณาทำแล้วใจมันจะต้องผองเท่าใจไมนจะต้อง สดใสใจนันจะต้องสะอาดนี่มันไม่มีอาจมีทำไม่ได้ฟังไม่ได้ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงลืมหลงอยู่ดรวยมาเมื่อไรแล้วเราจึงจะแก้ไขมันหรือให้เขาเอาไปฝังไปเผานั้นเึิ่งจะแก้ไขถ้าหากเป็นอย่างนั้นมันไม่มีวันมีโอกาสไม่มีเวลา ที่จะทำลายจิตทำลายใจท้องตัวใจในเหยียดเย็นใจเหนี่ยใจเหมึนใจเป็นทุกข์เป็นภัยมันเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะใจมันอยู่กับตัวไปสถานที่ใดถ้ามันเชื่อมันเสียมันเน่ามันหมึนก็เน่าก็หมึนเรื่อยไปเอาจรงควรทำลายเฉะไข่บุญมาอยู่ในที่อื่นอย่าไปหาที่อื่น มีการมีงานนีหัวแล้วจบครบงานบุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้นั่นบุญบ้าทําให้เราเกิดทุกข์เกิดปัญหาทําให้เราลุ่มเราหลงบุญเกิดขึ้นจากการประปฏิบัติเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากใจภาวนานั่นแหละบุญ ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราท่านให้การทาบําเพ็ญให้เห็นให้รู้ จิตมันจะสะอาดจิตมันจะทปรงใสใจมันจะสะาดซึ้งในอดในธรรมถ้าไปลืมหลงเรื่องแง่ๆจะหลงด้ว่ยไปโดยไม่มีอะไรเป็นสาระแฉนสารให้จงตึกจิตอบรมใจแต่ทำบาเพ็ญพอโอกาสเวลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นที่จะ จะทำบมเพลินได้ตายแล้วสมบัติเข่าของเองินทองอะไรก็เอาไปไม่ได้บุญบาปก็ทําไม่ได้เพราะมันตายจะคอยจะรับผลของมันเท่านั้นที่เราทําเอาไว้ชั่วเราก็จะได้ไปรับทุกข์รับโทษที่ตัวสร้างเอาไว้ทําเอาไว้เลยจะคนอื่นจะรับช่วงไปได้ดีไปเหมือนกัน นรกสวรรค์เป็นที่รับผลจะไปบำเพ็ญให้ยีให้ยุเกดไม่ได้เมื่อโลกมรุกพอเป็นที่เสวยผลของมันถึงเราไม่อยากทุกข์ทรต่างๆนานแต่เราสร้างเอาไว้มันก็ได้รับเหมือนไปได้รับแล้วจะไปโทดใครเหเหมือนเวลาจะมีบมหายใจยังพอจิตใจละจะบำเพ็ญได้ มนต่างหน้าต่างตาสํำละสาสังในต่างนาตา่างใาก็ทําบําเพนภาวนาเมื่อตายไปจะไปเบื่อให้ใครแต่พอเราเมื่อต่างใจชีวิตอยูม่มาต่้งหลายสิบปีแต่ไม่มีโอกาสเวลาที่จะ ส, าาจสํำละสาสางจิตใจท้องตัวแต่การงานอื่นเรื่องอื่นมีโอกาสเวลาที่จะไปทําแต่การสลาสละจิตสาละใจท้องตัวจะเขวัดเขว่า จำสี่งภาวนารู้สึกมันขาดจังหวะรู้สึกว่ามันลำบากเหมือนเขาดึงขาเต่าดึงเท่าไล่ันยื่หดเขา้ามันไหเหยียดออกมามันเป็นทํานองนั้นแต่สิ่งที่มันชอบไปในทางชั่วทางเสียทางกิเลสตัณหาเสว่ามีวงดนตรีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่สถ า, านที่นั้น มีเรื่องต่างๆนานาที่มันชอบหยิบชอบใจถึงไกลแสนไกลยากแสนดุลก็ไปได้พอมันยินดีมาได้ห่วงบ้านห่วง่องไม่ได้ห่วงเข่าห่วงขวางไม่ได้ห่วงชีวิตห่วงรับพวงนอนอะไรพอมันเตือนใจมาสําระสาสาง ม, มาภาวนาชำระใจทําไมมันจิกจิกจิกจิกมันดึกแล้ว สว น, ล น, น, นหนลับเพื่อนอนเพื่อก่อนงั้นใช่เตือ่เปลาหมอนพงั้นใชหลับแยนอนการทําระสาสางใจเลยหนึ่มีโอกาสเวลาให้นี่หมายถึงใจของพวกเราจีเป็นผู้ทุกชนคนหนะาพยาบาลมันมาหักห้ามเอาไว้ไม่อยากจะให้ทำคุณงามความดีอะไรเพราะมันจะหนีไปจากมันมันจะต้องบอกต้อง จะ่ิดอยู่เรื่อยอย่าไปนะอย่าทำนะอย่างนั้นอย่างนี้นี้พอแล้วสมควรแล้วภาวนาถึงจะขันเอาละทำไปนิดนิหน่อยหน่อยเอาละวันใหม่จึงค่อยทำต่อแต่เมื่อเวลากินเวลานอนมันจะจะนอนอะไรอีกสักตื่นหนะานี่กว่ามันจะสว่างเอาอีกจนสว่างจนวันใหม่นันก็อนเลย ไม่เดี๋ยวภาวน า, ามีกิจธุระจะไปถือ น, นั้นถือนี้ถ้าเป็นพระเป็นเน่งก่อมีกิจจะไปบินถบาตบินถบาตมาเยอะก่อนจึงจะคอยทำพอบินถบาทมาทันอาหารแล้วอะพักผ่อนเยอะก่อนอาหารยังไม่ย่อยเอาเยอ่ะตอนบ่ายจึงจะทําพอนอนไปถึงค่าถึงเวลาปัดกวามทำพาวัดอืนอ่นเสียน่นก็เลยไม่มีโอกาสเวลาให้นี่คือมานท้องใจ โดนบันดาลตัวพาไมเ่เชื่อเรื่องของธรรมะถ้าเชื่อเรื่องของมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะทํำกุงามความดีอะไรได้เดินจงกรมก็พอเป็นพิธีวันละเก้าสองเก้าเท่านั้นยิ่งเรื่องปัญหาละ่ะมันเข้ามาทุกระยะทุกเวลาเมื่อธรรมะมันมีจํานวนน้อยก็เหมือนกันกับน้ําถึงมันจะดับไฟได้ก็เพราะหน้า ม, มัน เท่ากันกับไฟหรือมากกว่าไฟถ้าไฟใน้องใหญ่ๆน้ําเพียงหยดเดียวไปหยดลงใส่มันจะดับอะไรได้ธรรมะที่นี่อยู่ในกายในใจของท่ามองนั้นมันมีนิดเดียวมันจึงแก้จิตเลือดตัณหาของใจไม่ได้ถ้ามันมีมากเท่ากับจิตเลือดตัณหาเราก็ต้องต่อสู้กันได้ถ้ามันมีมากกว่ามันจะทาจิตเลือดตัณหาอยู่ในจิตในใจให้ตก ขาดออกไปเอาใจชนะได้หรือเราทําความเพียนมันทํากันแค่ไหนไหนเดี๋ยวพจนระาดูความผาดความเพี้ยนข้าใจแล้วอยากจะได้ความส ง, งบอยากจะได้รับความสุขมันสุขไม่ได้เพราะมันไม่พอต่อกันเหมือนเราทานข้าวเพียงหยิบมือเดียวจะให้มันอิม่มมันอิ่มไม่ได้เพราะท้อง ใส่ของเรากรพาะของเรามันใหญ่จะต้องทานลงไปพอเหมาะพอสมมันจึงจะอิ่มได้มีการภาวนาสำราญใจก็ทํามองเดียวกันท่านที่สงบสงัดท่านที่ปฏิบัติเพ่มทุกข์ท่านไม่ไดแบบ้ทำแบบเล่นเล่นทำแบบไม่เอาฐานอย่างพวกเราท่านทำด้วยความจริงใจตั้งหน้าตัางา้งตา สละชีวิตสู่กันจริงๆจงัง ๆ, งๆท่านจึงได้อัดได้ทำมามาแนะนำสั่งสอนโลกอย่างพระพุทธเจ้าสรบปลายเรามันสรบปสลายอะไรล่ะนีแต่จะนอนตื่นมาก่อนยึดรุงไปด้านใหม่ไม้แดสำํำระใจของตัวด้่ยความชั่วความเสียมันจะไม่เท่ายิู่ลขึ้นอย่างไรให้สอนใจของตัวอย่างนั้น ต่างหาต่างตาจะรรมมมทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้เรื่องก็ธรรมะมันมีอยู่ไม่มีการมีเวลาสมกว่าเป็นอาการลิโก ผ, ผู้ปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะเยียดจะเยินได้ถ้าหากปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนีสอนแต่นั้นพวกเราท่านก็เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะดี ชีวิตของเรายังมีอยู่โรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่่อยจะเบียดเบียนหนักหนาขนาดไหนพอที่จะจะทำบำทําเพ็ญได้รีบเร่งควนควายเสียไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีวันเวลาให้จงพากันต่างใจสำระกิเลตของตัวความสั่วความเสียที่เคยลบควรจนพิดเป็นภัยของใจก็จะ ตกออกไปขาดออกไปเราต่างใจจะททำมมเพนดังนั้นขอทุกท่านโยงต่างหน้าต่างตาที่เจาณาฟังธรรมะจากธาตจากขันจากกายจากใจของตัวอย่าไปถือว่าธรรมะนี่อยู่ที่อื่นตำรับตำรามันเกิดขึ้นจากกายวาจาใจมาผลที่ฉันเขียนเอาไว้ เขนออกไปจากนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาจากที่อื่นเมื่อเราทราบอย่างนั้นก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาที่เจอนาการชำระสิ่งจีพระพุทธเจ้าให้ําระบําเพ็ญสิ่งจี่พระพุะทธเจ้าให้บำเพ็ญเมื่อทุกคนตั้งหน้าตั้งตาที่นี้ที่เจอาฟังธรรมะภายในอย่างนี้จิตจีเคยฝุ่งฝูงหลงไหลจิตจีเคยสายแสไปตามสัญญาอารมณ์ จะมีวันมีเวลาสงบเราจะประสบความสุขภายในการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเียเวลาพอยุตเพียงเท่านี้